เป็นวันเดือนสิบสองเพนวันนี้ตรงกับ ว, วันที่สิบพฤติิกายนพุทธศักราช25งพ้าห้าบสเป็นวันร้อยกระทงเป็นวันอ น, นุสงฆ์พันษาออกพรรษามาเดือนหนึ่งวันนี้เป็นวันกรถิน่นหมดเขตกรถิ่ น, นวันนี้เป็นวันหมดเขตกรถิน่นเดือนสิบสองเพน ตั้งแต่วันออกพรรษามาถึงวันนี้เป็นวันทอดกระถินแต่พอถึงวันนี้จะจบละหมเขตกระถินแล้วก็หมดเขตอันิสงพรรษาอันิสงพรรษาพระจำพรรษาออกพรรษาแล้วท่านให้เอากีวร์พื้นใดพื้นหนึ่งปราเชจากีวร์พื้นใดพื้นหนึ่งได้แล้วก็ชันปลำประโพชนะได้ อไปโดยไม่ได้บอกลาได้เหมือนกับอ น, นิสงกรถินนะั่นแหะเหมือนกันแต่เมื่อพวกเรารับกรถินแล้วได้การกระินแล้วอ น, นิสงฆ์นี่ก็ไปถึงเพนเดือนสี่ไปถึงปีเดือนสี่จึงจบหมดอ น, นิสงกรถินอันนี้เดือนสิบสองเพนนี่หมดเขตอ น, นิสงพันษานคะำว่าอ น, นิสงคํานี้พวก ศรัทธายา่โดมแลวใครๆก็เป็นเหมือนกับเป็นบุญเป็นกุศลเข้ามาทางด้านจิตใจแต่ตามจริงอ น, นิสงส์พันษาก็ดีอ น, นิสงส์กระถินก็ดีเป็ น, เ ป, นเป็นการยกเว้นวิั น, นข้อใดข้อหนึ่งคือไม่ให้ให้ย่อนออไม่ให้ใครๆว่าละเว้นได้ละเว้นได้ ในพวินัยข้อนี้แต่ถ้าหมดหมดเขตเดือน1ิบสองเพไปแล้วทำไม่ได้ปรับอบัติ้าว่าอธิสงพรรษาถึงเพนเดือน4ีก็ทำได้ขณะนี้ไปถึงเพนเดือนสีแต่ออกแต่เกยเลยเพนเดือน4ีไ ป, 4, ปแล้วทำไม่ได้ปรับอบัตทุกกฎเหมือนกับกฎหมายเขาย่างกฎหมายอเมริกา แต่ เ, เราก็ไม่เคยเป็นอเมริก า, ราหรอกเมือนกับเดือนนั้นไปถึงเดือนนั้นให้ล่าจัดได้แต่ถ้าเกินเดือนนั้นไปแล้วผิดกฎหมายลักษณะอย่างนั้นอันนี้คืออ น, นิสง์ของพระวินัยอ น, นิสง์พันสาหรืออั น, นิสง์กฐินก็เลยลักษณะนั่นแหละคร้ายว่าเป็นการยกเว้นวินัยข้อใดข้อหนึ่งให้พวกเราศึกษา ถ้าผมพูดไปก็อาจจะข้ามข้ามข้ามตอนหร้อว่าอาจจะไม่ไมถูกพวกเราไปศึกษาดูอันนี้พระวินัยมันมันอยู่ในตัวหนังสืออยู่แล้วเหมือนกกฎหมายพวกเราต้องศึกษาอันนี้ผมบอกเป็นถึงแนวทางให้ฟั ง, อ, นน ง, อ, นนงอันนี้สง์กระถินอันนี้สงฆ์พันศาอันนี้สงฆ์ที่เราจะเป่าบอก เราจะออกจากวัดโดยไม่บอกกล่าวไม่บอกลาใครก็ได้อันนี้ก็คืออันดุสง่งก็คอือการยกเว้นฉันปรามพระโภชนะได้อย่างนั้นะให้แค่ว่ายอดสรุปแล้วก็คือให้ยอดลงไม่ให้ให้แค่ว่าเป็นกรณีพิเศษในการยกเว้นจุดนี้ นี่คือพรวินัยเพราะนั้นเรื่องพรวินัยก็เหมือนกับกฎหมายเพราะนั้นเวลาเราอยู่ด้วยกันบางครั้งเราก็ต้องยืดหยุ่นแต่ถ้าไม่ไม่ผิดต่อพรวินัยผิดต่อกฎระเบียดธรรมดาภายในวัดอันนี้เราก็ต้องรู้ก็ยืดหยุ่นกันบ้าง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 พวกเราคนในานามคณะสงฆ์หรือพระสงฆ์ก้องปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าให้อยู่ในกรอบของหลักธรรมวินัยให้อยู่ในกรอบของพระวินัยเหมือนกับพวกเราอยู่ในประเทศไทยพวกเราก็จะต้องรักษาปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศไทยถ้าหากว่าพวกเราอยู่เมืองเมืองไหนเราก็ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ อันนี้เราอยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินยัยเราก็ต้องรักษาอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยอย่ากออกนอกลล่นอกทางให้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างองค์ลงตาที่ท่านพูดบอกว่าพวกเราจรึงจะฉลาดเฉลียวฉลาดขนาดไหนก็ให้ฉลาดอยู่ในหลักพระธรรมวินยัย ถึงจะโง่อย่างไรก็ให้ยิโง่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยอย่าไปออกนอกลู่นอกทางถ้าฉลาดออกนอกจากหลักพระธรรมวินัยนั้นหน่าเคารพนับถือเลื่อมใสจะฉลาดแหวกแนวไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยถึงจะฉลาดอย่างนั้นก็นเฉลียวฉลาดขนาดไหนฉลาดปาดเปืองขนาดไหนก็ตามก็ไม่น่าเคารพนับถือเลื่อมใส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 ไม่ค่อยได้บอกกล่าวกันมีแต่ผมเนี่ยนะพูดเรื่องสินเนี่ยบ่อยมากเพราะว่าเห็นมู่เพื่อนบางองค์บวชเข้ามาใหม่ก็มีชล่าใจไม่ได้สนใจเรื่องเกี่ยวกับหลักพระธรรมที่ไหนดูๆแล้วก็เขินเขินเงยงักงักไม่รู้จักผมไปที่ไหนที่ก็ตามอ้าวพระเข้ามานะออกมาในงานกระสินนะเข้ามาบวชนะถ้าหากว่าไม่ เข้ามาในหัตถบัตไม่ได้มาเข้ามาสังฆกรรมให้ออกนอกจากหลักสีมาเห็นไหมเขตรพระราชทานสีมาเนี่ยอันนั้นแหะคือให้พระสงฆ์ชาติอยู่ในเขตหลักสีมาเนี่ยให้เข้ามานั่งอยู่ในหัตถบัตถ้าอย่างนั้นให้ออกจากหลักพิสงมฆามขึ้นมาอันนี้คือพระวินัยนะพวกท่านทั้งหลายจะเงอะเงอกักไม่ได้นะต้องศึกษานะ มันไม่ใช่กฎของเรานะไม่ใช่โกฎของใครนะมันกฎของพระพุทธศาสนานะกฎของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านะพวกท่านให้เรียนรู้นะให้ศึกษานะนี่เมื่อเข้ามาก็ต้องเข้ามาอย่าไปหาคุยงกงงงอยู่ได้ยังไงอันนี้หลวงพ่อไปที่ไหนผลงพ่อจะจะดึงเข้ามาสู่พิ่นายเพราะสงฆ์ไม่ต้องพิ่นายถ้าเป็นฆราวาสไม่เป็นไรจะอยู่ยังไงก็ได้ถ้าว่าเป็นพระหนึ่งมันต้องเข้ามา อยู่ในกรอบจะอยู่ในหลักเมื่อเข้ามาแล้วก็ต้องเข้ามาประชมุมให้อยู่ด้วยกันอายุธหัตถบาตหัตปาสั่งบวงแหงมืออันนี้ก็คือพระสงฆ์เข้ามาในสังฆกรรมจะเป็นงานกระถินบวชนาคหรือ ว, ว่ามีการประชุมสำคัญการตัดสตัดสินคดีความต้องพร้อมฤๅษาสง หรือว่าอับพาลพระออกจากอาบัตชังคาทิเศษเนี่ยเราก็ต้องเข้ามาเข้ามาพร้อมกันหรือลงอโบสดลงโมสถจะไปนั่งอยู่ใต้โถนข้างๆไม่ได้เพราะอยู่ในหลักวิสุงคามซิมาเนี่ยต้องขึ้นมาทำอย่างนั้นต้องออกให้ห่างห่างจากหลักวิสุงพระราชทานวิสุงคามซิมาอันนี้แหละคือพระวิ น, นัย เมื่อประสงค์เมื่อเราบวชเข้ามาแล้วต้องศึกษาวินียของสงฆ์เวลาพระหรือครูบาอาจารย์องค์ไหนที่ท่านผู้ท่านกล่าวพวกเราก็ต้องฟังนี่แหละวันนี้เป็นวันลงโบสถของพวกเราทบทวนเรื่องของศีลศีลและวินัยมีองค์แสดงขึ้นนั่งแสดงพวกเราก็นั่มนั่งปนมมือฟังตั้งแต่อาบัต ปาลชิตสี่สังคาทิเศษสิบสาอนยตสองนิสกิยปาจิตตีสามสบปาจิตตีเก้าิบสองปฏิเทจนิยะสี่เศกยวัตเจ5ดสิบห้ารวมทั้งอธิกรณะสมถะเข้ารวมและเป็นสินสองอ ย, ยี่สบเจ็ดเนี่ยที่พวกเราฟังจบลงสักครู่นี้เป็นการทบทวน เรื่องสินและวินยัยพระที่รักษาสินพระที่มีสินสินก็คือศินพวกเรารักษาศินสอยีเอ๊ะพวกเราจะรู้ได้ยังไงเพราะเป็นภาษาบาลีอันนี้พวกเราถ้าเป็นผู้สนใจใส่ใจในสินและวินัยของตนก็ต้องอ่านในนวโกวาดหรือวินัยมุกเล่มหนึ่งหรือพระไตรปิฎกต้นบัญญัติพระพุทธเจ้าบัญญัติ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 นี่ะถ้าเราใจใจต้องศึกษาพราะสินของตนเองไม่ใช่ว่าเรามีสินสิบมีข้อมีอะไรบ้างก็ไม่รู้สินแปดมีอะไรบ้างก็ไม่รู้พระสินสองยีมีอะไรบ้างก็ไม่รู้เพียงแต่ว่าตัวเองมีสินยีมีอะไรบ้าง227ยเขาถามก็ไม่รู้เพราะนั้นพวกเราต้อง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 และกพระวินัยของพิกจุนีไอ้พิจุนีศีลสามร้อยกว่าแต่ว่พาศีลพระภิกษุสองร้อยี่สบเจ็ดแต่พิกษุณีเนี่ยมากกว่านะศีลพระพิจุพิจุณีเนี่ยมากกว่าศีลของพระนะนี่แหละอันนี้คืเราก็อ่านศึกษาไปเหมือนกันแต่บางข้อก็เหมือนกันบางข้อก็แปลกแตกต่างไปเหมือนกนอันนี่ก็คือพระวินัยของพิกษุนีอันนี้คือที่ยังไงก็ ผู้ที่จะดำรงทรงศาสนาเป็นพระอยู่ในพระพุทธศาสนาอยู่นะยาวนานควรจะควรจะศึกษานะเรื่องวินัยเรื่องศีลและวิ น, นัยสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจนะถ้าตอนนี้ไปสวดท้ายปฏิโมก